ตอนนั้นนี่เสื่อมพอสมอควรเลยแหละมันมีบัญญัติเพิ่มสิ่งใหม่ๆราะฉนนั้ถ้าหากว่ามีแต่สิ่งที่บัญญัติขึ้นใหม่ๆแล้วศาสนานี่ของใครบอกศาสานาของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเรามาช่วยกันบัญญัติใหม่ๆนี่มันศาสานาของใครแล้วถ้าบอกว่าศาสนาของพวกเรากันเองแล้วเรามาบัญญัติกันมันก็ไม่ใช่ปัญหา <odie. S 1> แต่ปัญหาว่าอ้างคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบัญญัติหลักการของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเป็นของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เป็นเครื่อพวกแอบแฝงครานนี้ถ้าแอบแฝงนี่อะไรจะเกิดขึ้นนะั น, น, นสัตว์ทั้งหลายก็เสื่อมจากบุญตัวเองก็จะประสบบบุญไม่ใช่ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากแล้วก็ศาสนาคำสอนที่ประกอบไปด้วยอ ธ, ธิศีนอธิจิตอ ธ, อธิปัญญาของพระพุทธเจ้าก็หายไปจากโลกเลยนะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าภิกษุที่ จงใจล่วงละเมิดอาบัตเล็กเๆๆน้อยก็ชื่อว่าไม่สมาธานประพฤตในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญตัตไว้เช่นกับพระพิสุอัศชิปุณะพสุกะเป็นต้นคนนี้ก็แกล้งล่วงละเมิดเนี่ยนะเห็นว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยนะสมัยนี้แล้วอะไรก็หาข้อเหตุร้ออ้างจนไม่ต้องรักษาวินยัยอธิาอธิบายได้โดยเหตุผลที่ตัวเองไม่ต้องรักษาพระวินยัยเนี่ยนะ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 ข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติในศิขาบทคืออธิศีลอธิจิตหรือพระวินัยเป็นต้นตามที่พระองค์บัญญัติเอาไว้ปฏิบัติเหมือนท่านพระอุปเสศนปฏิบัติเหมือนท่านพระยาศากาการทบุตรปฏิบัติเหมือนท่านพระมหากัสปะผู้ตั้งแบบแผนมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ทำสมัยพรถสมสังขยนามีพระพุทธพจน์บทหนึ่งเดี๋ยวเราเรียนไปข้างหน้าว่าถ้าสง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 แม้ครือหัาทั้งหลายก็รู้ว่าสิ่งนี้สมควรแก่สมณะสักยะบุตรของพวกท่านสิ่งนี้ไม่สมควรแก่พวกท่านคารวะที่เป็นบัณฑิตไม่ใช่น้อยเขารู้นะว่าอะไรควรแก่ทำมาควรแก่พระภิกษุอะไรไม่สมควรแก่พระภิกษุก็ถ้าหากว่าพวกเราจาักถอดถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆกันใชเนี่นะถ้ามาช่วยกันรื้อถอนอย่างนี้นะก็จะมีผู้กล่าวเอาได้ว่า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 ถ้าว่าพ่ว่าตัวนี้แปลว่าเพราะฉะนั้นเหตุผลดังกล่าวไปทั้งหมดสรุปว่าถ้าความพร้อมพร่งของสงถึงที่แล้วสงไม่พึงบัญญัติข้อที่ไม่ทรงบัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีการบัญญัติเพิ่มไม่พึงถอดถอนข้อที่ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วพึงสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติเอาไว้อันนี้ถือว่าเป็นยัติเลยนะเป็นยติเป็นคําสั่งเรียกว่าคําสั่งคณะสง์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 เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ด้วยกรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สังวรไม่ระมัดระวังเนี่ยนะบาปก็จะตกบนศีรษะของพวกเราเพราะฉะนั้นก็ต้องระแวดระวังว่าจะต้องไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่บัญญัติเนี่ยนะไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติแล้วสมาธานศึกษาเล่าเรียนตามคำสอนพระองค์บอกว่าถ้าทำอย่างนี้จเจริญขึ้นโดยที่ไม่มีเสื่อม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 และมีคุณธรรมที่ทําให้ถึงความมั่นคงมั่นคงในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเป็นรัตตัญยูรู้ราตรีนานก็คือบวชมานานแล้วผู้อยู่ในฐานะเป็นพ่อเป็นบิดาแห่งสง์สังฆปรินายกาก็คือเป็นสังฆปรินายกบริหารสง์ให้พระพิสุสงเนี่ยน ะ, ะดำรงมั่นหรือท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าในการปฏิบัติศึกษาบทศึศกขาสาม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 ก็เส <tech Broadway> ื่อมจากคุณเสื่อมจากธรรมขันธ์ทั้งหลายเสื่อมจากศีลขันธ์เสื่อมจากกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญากองแห่งมิมุติกองแห่งวิมุตติญาณทัศนะเสื่อมจากอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดเสื่อมจากศรัทธาเสื่อมจากศีลเสื่อมจากฮิเิโอตตะเสื่อมจากสุตะเสื่อมจากจากขะแล้วก็เสื่อมจากปัญญาในที่สุดเสื่อมทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นพระพิสุเหล่าที่ไม่มีความเคารพใน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 ดีว่าบุญเก่านํามาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเองถ้าบุญเก่าหมดเมื่อไหรก่ก็ถ้ามีอยู่สั์หนึ่งในแปลคำถามอาวังซิโรแปล ว, ว่าผู้มีหัวทิมลงแล้วว่างัน้นอันนั้นทิมมแมยถ้าหัวหัวตั้งมันดีใช่ไหมถ้าหัวทิมไม่ได้ดีอะไรเลยเนี่ย น, นะส่วนภิกษุเหล่าใดกระทาการสักการะเคารพนับถือบูชาปรนิบัติพระเทระเหล่านั้นแต่ต้องเลือกนะตรงนี้เน้นพิเศษคือบูชาจัปปูชนียานัง น, นะ ไม่ใช่เห็นว่าบวชนานก็เอาเลยแหละไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายคําว่าเป็นผู้ที่ส่งคุณนะพระเทระแม้เหล่านั้นก็ย่อมให้โอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าเธอพึงก้าวไปอย่างนี้เจริญสัมปชัญญะในการก้าวไปและถอยกลับสัมปชัญญะสี่นะนะสัจจะสัมปชัญญะปจระสัมปชัญญะสัปายะสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะในการก้าวไปและถอยกลับ เธอพึงดูอย่างนี้พึงเหลี้ยวอย่างนี้ดูอย่างไรศาสตะกะสัมปชัญญะโคจระสั ป, ปายะและอสัมโมหสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเธอพึงคู่พึงคู่อย่างนี้พึงเหยียดอย่างนี้พึงทรงบาทอย่างนี้จีวรอย่างนี้ก็สอนสัมปชัญญะคล้ายๆสัมปชัญญะบัพพะนั่นเองก็สอนเรื่อเออเนี่ยก้าวไปอย่างนี้ถอยกลับอย่างนี้เป็นอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญา แลเหลียวอย่างนี้เป็นอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาก็สอนในทุกทวารไม่ว่าจะก้าวไปถอยกลับแลเลียวคู่เหยียดยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งขบฉันนุ่งห่มเป็นต้นก็เป็ น, น, ปนสิกขาสามไปหมดเลยเพราะว่าท่านกเหล่านั้นก็จะแนะนำโอวาสังสอนสั่งสอนเรื่องประเพณีข้อวัดปฏิบัติที่เรียกว่าอริยวงว่าวงของพระอริยเจ้าเขาปฏิบัติกันอย่างไร ศึกษาธรรมะปริยายที่เป็นสาระเนี่ยนะเกื้อกูลต่ออธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาพร่ำสอนทุดงสิบามกระทาวัตถุ1ิประการเนี่ยนะสั่งสอนเรื่องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรความวิเวกเนี่ยนะสั่งสอนอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาวิมุตมติยานทัศนะพระพิสูนเหล่านั้นเมื่ออยู่ในโอวาทของพระเถระเหล่านั้นก็จะเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลาย สีลวิสุทธิดำเนินตามสีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิยาณทัศนวิสุทธิในที่สุดก็ทมสามั ญ, ญผลโสดาปฏิผลให้แจ้งสกทาคามีผลอานาคามีผลอรหัตตผลให้แจ้งด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วนี้นี่แหละเรียกว่าเคารพนับถือบูชาเพราะว่า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 มีความสุขที่ได้ยินคำว่าอารหังมาเห็นเลยอรหังไกลจากกิเลสกรรจัดค่าสึกคือกิเลสหักซีกรรมแห่งสังสารจักรอนะไม่มีความลับในการทำบาปผู้ควรแก่รับเครื่องสักการะเป็นผู้ควรยกย่องสรรเสริญห่างจากคนชั่วอยู่ก็ให้ต่อคนดีคนดีไม่ทอดทิ้งท่านก็ไม่ทอดทิ้งคนดีว้าวหน้าชมเชยพระอรหันนี้ดีจริงๆเลยเนี่ยนะใจเรื่มใสขึ้นเมื่อก่อนเริ่มใสพระพุทธเจ้านิดเดียวตอนนี้ศรัทธาอารหันเพิ่มขึ้น สัมมาสัมพุโทโธก็เพิ่มขึ้นวิชาจารณะสัมปันโนก็เพิ่มขึ้นสุขโตโลกวิทูอิติปิสโสดีหมดทุกคําเลยถ้าอย่างนี้ก็ก็ยังชั่วหน่อยอนะก็ศ ร, รัทธาเพิ่มขึ้นอันนี้อริยสัพย์คือศรัทธาเพิ่มขึ้นสวาขาโตนะคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าปฏิบัติตามพ้นทุกแน่นอนเลยมั่นใจจริงๆนะเนี่ยถ้าศึกษาเนี่ยขนาดเข้าใจขนาดนี้ยังสบายใจขนาดนี้ถ้าเข้าใจวันนี้เห็นอย่างที่ท่านสอนทุกอย่าง บรร ล, ลุแน่นอนเลยสว่าขาโตพระควาตาธรรมโมพระสาวกพระพุทธเจ้านะมีศีลอสมบูรณ์ด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาปฏิบัติเขามีบุญจริงๆเขารู้ตามพระพุทธเจ้าเรื่อใสายว่าท่านเหล่านั้นปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าทรัพย์คือศรัทธามั่นคงแล้วก็ที่สําคัญก็กรร ม, มัสโกมหิตเรามีกายกรรมมจีกรรมมนโนกรรมเป็นของของตนนะสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดเป็นสมบัติติดตัวของเราต่อไปนะ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 ศีลเออเจตนาศีลบ่อยขึ้นเนไะเจตนาเว้นจากปานาติบาตเกิดบ่อยขึ้นเจตนาเว้นจากอธิ น, นาทานเจตนาเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเจตนาเว้นจากมูสาวาักหมายตอนนี้นะไม่ได้มูสาวาหัดมาตั้งนานแล้วไม่เคยพูดคํำยาบเลยไม่พูดเพ้อพูดตั้งใจพูดให้ใครเขาแตกแยกกันเลยไม่นึกไม่ออกว่าพูดเพ้อเจอรตรงไหนบ้างเละกั้นอะไรมั่งที่พูดแล้วไม่มีประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์ อย่างยิ่งโอ้สินดีเหลือเกินเนี่ยนะเห็นเหล้าทั้งหมดทุกขวดเป็นศินของเราไปหมดเลยนะเห็นอริยทรัพย์ไปหมดหรืออุโบสถสินเห็นอาหารทุกคำเนี่ยสินของเราทั้งนั้นแหละแต่ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอธิศีนเนี่ยอะไรนะทรัพย์คือศินเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นแล้วเนี่ยนะไม่ไม่ควรทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจยเพราะอะไรเพราะมีกรรมสกตาศรัทธาเห็นเลยว่ากายวาจาใจาเนี่ยเป็นประตูแห่งสุขคติหรือ ทุติเนี่ยนะเพราะละอายต่อความชั่วที่จะทำทางกายวาจาใจาเกลียดความชั่วทางกายวาจาใจามากอึดอัดระอิดระอาชิงชังเนี่ยนะแต่ถ้าอย่างนี้ก็มีทราบคือฮีริโอตาปะเกิดขึ้นละอายใจมากที่จะทำชั่วเกรงใจตัวเองจริงๆสงสารตัวเองจริงๆที่ต้องทำชั่วเนี่ยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์อุสาห์ทาสอนเรายังชั่วขนาดนี้อยู่หรือ สงสารและเห็นใจพระพุทธเจ้าจริงๆเกรงใจพระพุทธเจ้าจริงๆก็เลยไม่ทําความชั่วด้วยกายวาจาใจแต่เงี้ยซับคือฮีเรโอตปะเพิ่มขึ้นและซับคือสุตะน่ะนะเออพระไตรปิฎกเล่มนั้นก็เข้าใจนะเออสาระมีอยู่กี่สูตรแต่และสูตรต้องพระองค์ต้องการบอกอะไรเราทีขนิกายทั้ง34สูตรพระองค์ต้องการบอกอะไรเรามัชฌิมนิกายร้อยห้าสบสสูตรพระองค์ต้องการสอนอะไรเราสังยุตตนิกาย7จ็ดันเ็ดรอยกว่าสูตรพระองค์องสอนอะไรเรา มัชฌิมา น, นิกายเก้าพันห้ารอยกว่าสูตรสอนอะไรเราเนี่ยพุทธ ก, การนิกายทั้งสิบห้าคำพีเนี่ยนะแต่และคมพีเนี่ยพระองค์ต้องการบอกอะไรเราอภิธรรมเจ็ดคำพีต้องการสอนอะไรเราเข้าใจวัตถุประสงค์ทุกอย่างสิ่งเหล่านี้เราได้อ่านแล้วได้อ่านแล้ ว, ไ ด, ลวได้ฟังแล้วศึกษาแล้วความรู้ความเข้าใจเหล่านี้อยู่ในชีวิตจริงอันนี้เขาริ่มรวยด้วยทรับคือสุตตะอ่านแล้วเลื่อนั้นอะ่ะฟังมาแล้วเขาว่ายังไงบ้างนะอ้าวมันแล้วอะ่ะ แล้วกวงันแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเลิกเลยจบเลยความเงนันหู้อะไรก็เรียนมาโมเรียนมาทุกอย่างจริงๆเขาบอกงันเขาเรียนเยอะนะเขาบอกเขาเรียนเยอะมากเลยเรียนอะไรบ้างมันเยอะกันแล้วกันนะะถ้าอย่างงี้ก็ตัวใครกับตัวใครแล้วกันนะขอให้ท่านไปดีมีสุขเถอะอย่างไงี้ห่างๆกันหน่อยดีนะกลัวจะติดเชือ้อประเภทนี้มาเพราะเชื้อแบบนี้นั้ยิ่งร้ายกว่าโรคมะเร็งอีกว่างนัน